พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30ทธันวาคม 2,556 มีชื่อเรื่องว่าย่าผิดธรรมเนียมของหลวงปู่จามอ้าวอยู่ในความสงบนะลูกหลาน มีอะไรเหลืวหลวงพ่อจะพูดให้ฟังจะว่ารายงานประจำวันก็ว่าได้ลูกหลานที่อยู่ข้างนอกเอ้งานของหลวงปู่ของเราเนี่ไปยังไงทำยังไงมีปัญหาอะไรหรือราบรื่นอย่างไรลูกหลานอยู่ข้างนอกก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ200กว่านะคณะทายาติโยม เพราะท่านไม่ได้มาฉันรวมกันที่นี่ท่านไปไปฉันเป็นจุดๆแต่ทั้งหมดมันมีเจ็ปดจุดมั่งเพื่อกระจายก็ดีเหมือนกันนั่นแหะเพราะตมาฉันที่นี่กัถ้าอาหารมารวมกันที่นี่แต่เก้านาฬิกาจะเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพระสงฆ์อาหารพระสงฆ์มากอาหารมากมันก็ช้าก็ธรรมดาแต่ที่างไงเรื่องอาหารเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญส เศรษฐาอาหารฤทธิกาสัตว์ทางหาหลายปิดุด้วยอาหารแต่หลวงพ่อจะรายงานและบอกกล่าวให้คณะสัตายาญาติโยมได้รับทราบว่างานของหลวงปู่เราก็ราบรื่นมาด้วยดีก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างโรงทานก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแต่ผู้แสดงความจำนงที่แสดงความจำนงกับคณะกรรมการไว้ก็ บอกว่าประมาณห้าร้อยก่อโรงทานก็คงจะเข้ามานี่แหละตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จนถึงวันที่ห้าบางทนก็มาวันที่สี่ก็มีแสดงความจำงแต่โรงทานของเราก็เตรียมรองรับไว้ห ล, หลายจุดเหมือนกันแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่แจ้งข่าวมากก่อมากที่จะเข้ามา ทางกรุงเทพทางกรุงเทพมหานครเจ้าพกุลสมเด็จแล้วก็พระมหาเถระผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาก็ามากแล้วก็นกขจดีลิงก็จะมาวันนี้แหละอ่าคงจะขนย้ายมาจากจังหวัดเชียงใหม่ทางภาคเหนือแต่ไม่รู้จะทําที่ไหนแล้วก็คงจะประกอบเสร็จภายในสองวันว่างั้นนะแต่คณะสัตธาญาติโยมลูกหลานเนอะ ถ้าหากว่ามาวันนี้แล้วโอ้คงจะไม่ได้มาวันนั้นจะจะเสียใจเมื่อภายหลังนะลูกหลานนะเพราะงานของหลวงปู่นี่เป็นงานที่เขารบสักการะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเป็นการประชุมเพลิงหลวงปู่เป็นครั้งเดียวในชีวิตของพวกเราเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้กนะ็ไม่ควรจะพลาดนะไม่ควรจะพลาดควรจะมาร่วมงานของหลวงปู่เรา ให้พร้อมหน้าพร้อมตากันลูกหลานทุกคู่ทุกคนเนอะอั น, นี้ละงานของเราก็ไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆคณะสงฆ์ก็ประชุมกันวันเว้นวันวันเว้นวั น, วนเพื่อจะดูว่า ง, งานของเราขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนควรจะเพิ่มเติมจุดไหนอันนี้พวกเราก็หาพิจารณาช่วยกัน คณะสงฆ์ลูกหลานทุกองก็ให้ความร่วมมือดีมากๆดีมากหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าที่นั่งหัวแถวอย่างนี้แหละอย่างว่าหัวหน้าหลวงพ่อภาคภูมิใจกับคณะสงฆ์ที่แสดงออกซึ่งความเคารพสักคิระแสดงออกซึ่งน้าใจแสดงออกด้วยการจัดงาน ด้วยความเต็ม อ, อกเต็มใจของพระลูกพระหลานทุกๆองค์นะและก็พร้อมกันทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวนาคำน้อยของเรานั่นแหะก็เป็นครัวหนึ่งเป็นครัวใหญ่ที่จะมาเลี้ยงพี่น้องประชาชนแต่ขอเตือนบอกกล่าวกับคณะพวกเราทุกๆ ท, ท่านองหลวงปู่ของเรานะหลวงปู่ของเราหลวงปู่จามของเราเนี่ยท่านตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่นี่ ท่านไม่เคยรับกระถินน ะ, ะมาอยู่แต่สมัยหลวงพ่อมาอยู่ท่านก็ไม่รับกระถินก็มีคนถามท่านแล้วก็เนี่ยท่านก็ให้เหตุผลว่าไม่ข้าไม่รับกระถินเพราะเหตุว่าสมัยนั้นหนทางไม่สะดวกการค ม, มนาคมไม่สะดวกสบายถ้าหากว่าจะมีการจัดงานกระถินขึ้นมา อย่างหลวงพ่อในะอยู่ในชนบททิศ น, นี้รู้จักดเีเวลาจะจัดงานกระถินหรืองานภาพป่าหรืออะไรงานใหญ่ๆ ใ, ใ, ในหมู่บ้านชาวบ้านเขาจะเอาไปหาควายหรือหาหวัวโดยมากควายนะั่นแหละมาแล้วก็ราคามันเท่านี้นะจำไมก่อนราคาห้าห้บาทก็ไม่แพงใช่ควายตัวหนึ่งห้าร้อบาทหรือ800บาทเนี่ยถ้าพันบาทแล้วก็แพงมาก จากนั้นก็ตกพูดกันอะไรควายมันยังยืนอยู่เด้อยังไม่ตายชาวบ้านก็จะเอาเท่าไหร่คุณจะเอาเจ้าจะเอาเท่าไหร่คัวเรือนขัวเรือ น, ล, อนละสามสิบบาทคัวเรือนยี่สิบบาทก็ว่ากันไปพอเน้นโซกันถึงวันแล้วก็ล้มควายตัว น, นั้นแหละก็แบ่งพูดให้ตามชาวบ้านเขาลายชื่อที่ใครจะเอาเท่าไหร่ ถ้าใครเอาห้าสิบบาทก็ได้มากกว่าตามราคาแบ่งพูดกันเพราะนั้นหลวงปู่ท่านเห็นอย่างนั้นละท่านบอกว่างานกระถินก็ดีงานของเราจะไม่ให้มีเพราะว่าชาวบ้านของเขาจะล้มวัวล้มควายแล้วบาปกรรมนั้นจะมาถึงเราเราไม่ให้ทำเราไม่รับกระถินนะ อ, อันนี้แหสาเหตุของการไม่รับกระถินของหลวงปู่ของเราเใช่ไมนายัด ที่หลวงพ่อพูดนี่นี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเอาง่ายๆนะหลวงปู่ท่านาจริงจังแต่ถึงยังไงถึงยุคนั้นมันผ่านไปแล้วยุคนี้มันคมมนาคมสะดวกพวกเอาหงอาหารเกามาจากตลาดเป็นสวนมากเราไม่ได้สั่งฆ่าเราไม่ได้สั่งทำร้ายทำลายสัตว์ เ, เพราะนั้นามาถึงยุยคนี้ก็ มันสะดวกสบายมันทั่วถึงกันแต่ส่วนที่ใครจะทำบาปทากรรมนั้นก็มันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะทำบาปทากรรมก็มีหนทางหลีเกเลี่ยงจะไม่ทำจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อขอบอกกล่าวคณะสัตายาติโยม ง, งานของหลวงปู่ของเราเป็นงานบริสุทธิ์อย่าได้สั่งคาบหมูหมากาไกา่ เอ่าปูค่าปลาค่าสัตว์อันไหนก็ตามห้ามไม่ให้อย่าไปคิดทำอย่างนั้นแล้วก็อย่างอาหารในตลาดก็เหมือนกันหลวงพ่อขอย้ำเตือนลูกหลานให้ไปซื้อตามที่มันมีมันเกิดอย่าไปสั่งล่วงหน้าถ้าสั่งล่วงหน้าวันภูนี้ข่าจะมาเอาอาหารน ะ, เ, ะเท่านั้นตันเท่านี้กิโลฮะ เ, ะเขาก็จะได้ฆ่าสัตว์ให้กับเราอันนั้นเป็นการสั่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยที่ เจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่เราต้องการได้แต่เขาก็ต้องการฆ่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมนะลูกหลานนะขอบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามหมูพว ก, กพวกปลาพวกอะไรพวกสะขึ้นมาจากไหนก็ตามไม่ควรจะเอานํามาฆ่าในงานศพขององค์หลวงปู่เราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดท่านที่ท่านไม่รับกรถิน เพราะเหตุไรท่านจึงไม่รับกรถินตรงพ่อก็ได้ชี้แจงให้คณะจตหาญาติโจมได้ฟังแล้วเพราะเอาความจริงมาพูดเพราะฉะนั้นหลวงปู่งานศพของหลวงปู่เราก็ต้องทําให้ความบริสุทธิ์พุดผ่องเมื่อหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านรักษากฎระเบียบของท่านนะแต่เมื่อท่านตายไปแล้วงานศพก็ยังไม่ได้เผา พวกเราออกนอกลูก่นอกทางก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะลูกหลานนะอย่างวันที่สมวันที่สามที่จะถึงเนี่จะขนย้ายสรีระของหลวงปู่จากศาลาลงไปสู่เมนที่จิตจัดกาทานหลวงพ่อว่าควรจะไปด้วยความสงบควรจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธ นำศพหลวงปู่ไปแล้วก็ขึ้นจิตตักกาทานนะด้วยความสงบจะสวยงามกว่าถ้าหาว่าพวกเร า, เาแห่หลวงปู่ลงไปทั้งที่หลวงปู่ก็นอนอยู่ในหีบศพสลบนอนอยู่ที่นั่นไอ้พวกลูกพวกหลานก็นสนุกสนานไม่รู้โดนตรงดนตีแล้วก็ไม่รู้ว่าฟ้อนหน้าฟ้อนหลังเด่งหน้าเด่งหลังอีกต่างหากดูแล้วมันงามไม่ลูกหลานว่า เพราะนั้นขอบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้รับทราบหลวงพ่อว่าขอให้ไปด้วยความสงบเออเอามือประสานไปข้างหน้าเหมือนเดินยงกลมอย่างนั้นและแล้วก็ บ, บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงเอาไปบรรจุในจิตกาธานาพวกเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจะประทับจิตประทับใจนานเท่านาน ดีกว่าที่จะมีโดนรงโดนตีงานนี่ไม่ใช่งานสนุกสนานเป็นงานปองธรรมสังเวช ท, ที่พวกเราจะได้นำปู่นำปู่ย่าตาทวดของพวกเราขึ้นสู่ประชุมเพลิงพระราชทานเพลิงศพเราจะไปสนุกสนานได้หรือมันต้องกองความสลดสังเวชใจต้องลำาลึกถึงพระคุณของหลวงปู่หลวงปู่ให้ได้ทำคุณคุณอุปา ก, การกับเราอย่างไรบ้างอย่างนั้นมันจึงจะถูก อย่างที่เมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้มาร่วมหรอกงานกระถิ่นนู่นแ ห, ห่มาจากบ้านฟอ้อนหน้าฟอ้อนหลังเด้งหน้าแด้งหลังก็เลยเข้ามาจนถึงฮอดถึงสาลาอีกต่างหากลูกหลานทั้งหลายบ้านห้วยทรายเคยเห็นไหมอย่างนั้นถ้าหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่จะว่ายอย่างไงอันนี้หลวงปู่นอนสลบอยู่ในหีบในโลวงแล้วหลวงปู่ก็ไม่รู้จะว่า ย, ยัางไงพวกลูกหลานทําอย่างนั้นมันถูกไหม เออสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวเออพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานของหลวงปู่นะถึงใครจะว่าไม่ใช่หลานหลวงปู่ก็เถอะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหลานเออลูกผีชายของหลวงปู่จำาอที่หลวงพ่อพูดอยู่เดียวนี้หลวงพ่อดักยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงปู่หลวงปู่แนะนำสั่งสอนอย่างไรขอให้ลูกหลานพาเนนทุกองนะให้เคารพในปฏิปทาของหลวงปู่ พรอีกไม่นานเนะี่ยเมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วพวกเราก็จะได้ห่างเหินกันหลวงพ่อเองก็จะได้กลับวัดฮะพวกลูกหลานก็จะได้อยู่ที่นี่ถึงยังไงก็ให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่ให้เป็นที่เคารพสักการะบูชาให้นานเท่านานสิงไหนหลวงปู่ไม่พาทำพวกเราก็ต้องดูดูเออมองมองดูดูดถ้ามันผิดมากอ่ามันผิดธรรมวินัยไหม ทามันผิดทาวินัยอย่าทำแต่มันไม่ถูกมันไม่ผิดทำวินัยแต่ว่ามันพอที่จะหยวนได้เ อ, อนะันนั้นเราก็ควรจะย้อนยวอนแยบๆออกไปแต่ถ้าว่าตรงไหนที่มันไม่ถูกต้องน่ะควรจะงดนนรูกหลานนะออมันเป็นการเยียบยำ่ำโดยไม่เจตนาออแต่ถึงอย่างไงถ้าหลวงปู่ยังอยู่หลวงปู่จะว่าอย่างไงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นการย้ํากล่าวเตือนให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าที่เป็นศิษย์ญาติศิษิ์ที่เป็นลูกหลานขององค์หลวงปู่เอาต่อ น, นี้ไปเราจัดอาหารก่อนานพอสมควรอยู่แล้วถ้าหลวงพ่อจะพูดให้ยาวกว่านี้อีกเดี๋ยวพระลูกพหลานทั้งหลายคงจะหิวอาหารเอาต่อ น, นี้ไปรับพรในเตนะีน่า